2. ปาริวาสิกะขันธกะ 1. ปาริวาสิกะวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้อยู่ปริวาทสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาทยินดีการที่ปกตัตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทาสามีจิกรรมนำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้ําล้างเท้าตั้งตั่งรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ํา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษละตําหนิประนามโพรทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุผู้อยู่ปริวาสจึงยินดีการที่ปะกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทรสามีจิ ก, กรรมนําอาสนะมาให้นําที่นอนมาให้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งต่งรองเท้า ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ